สัมาสัมพุทธัสสะนะโมทัสสะอะคาวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมทัสสะอะควะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาครารันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น นาโอกาสนี้ไปเป็นโอกาสที่เราท่านทั้งหลายทุกลูกทุกนามจะได้สะดับรับฟังพระธรรมคาสั่งสอนในทางพุทธศาสนาพร้อมกับการนั่งสมาธิภาวนาการนั่งสมาธิภาวนานี้ให้พากันนั่งขัดสมาธิทุกทุกคนพุทัสให้นั่งได้ เพื่อให้นั่งเอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาก่อนแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายต้องหัดนั่งถ้านั่งใดก็สบายดีนั่งแรกๆก็ไม่เคยก็ขัดแข่งขาเป็นธรรมดาเมื่อเรานั่งเรียบร้อยแล้วมือขวาทับมือซ้ายตั้งกายให้เที่ยงตรง หลับตาการที่ท่านให้หลับตานั่นคือว่าไม่ให้ตาใจมันแส้สายออกไปทางตาเพื่อดูโลกคนอื่นสิ่งอื่นเมื่อเราหลับตาแล้วก็ชื่อว่าเป็นชักปิภาวาน์ใหน้าที่ภาวนาพุทธโธในใจ มีหน้าที่ฟังฟังอย่างเดียวก็ไม่พอฟังแล้วจดจำจดจำได้แล้วก็ปฏิบัติตามทำละจิตใจของตนให้ของใสสะอาดด้วยการภาวนาสมภาธภาวนาทำใจของตนให้สงบระงับตั้งมั่นเป็นดวงหนึ่งดวงเดียว ไม่ว่าเราจะนั่งสมาธิภาวนาที่ไหนเมื่อใดก็ตามให้มีสตริระลึกว่าเป็นเวลาสำคัญเตือนใจนี่มาให้คิดไปในเรื่องเราอดีตอนาคตเรื่องคนอื่นผู้อื่นสิ่งอื่นภายนอก กำหนดรวมจิตใจเข้ามาตั้งให้มั่นในหัวใจของตัวเอง <c oughs> ดวงใจของคนเรานั้นมันมีอยู่ภายในตัวภายในกายภายในจิตจิตใจคนเรานั้นเป็นธาตุนามธรรมไม่มีรูปร่างสีสันฐานเหมือนคนเหมือนกัตว์มีความรู้สึกนึกคิดไปตามสังขารมารกิเลมาน เรื่องราวภายนอกแต่เมื่อเราปิดตาไม่ดูหูฟังคำจิตมีสติรละลึกอยู่ดวงจิตผู้รู้อยู่ที่นี่ให้รวมจิตใจเข้ามาภายในอันเป็นปัจจุบันนะั้นทำทื่อเป็นปัจจุบันขณะนี้เวลานี้ให้ได้ สับ ก, กระแสภายนอกจะดีใจเสียใจภายนอกไม่เกี่ยวไม่เอาเอาจิตใจที่นึกน้อมภาวนาพุทธโธหรือมรณะกรรมาฐานบทใดบทหนึ่งหรือในร่างกายสังขารของเรามีผมขนและฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกกลับไส้กปงน้ำเลือดน้ำเหลืองในตัวเหล่านี้แหละ ข้อใดข้อหนึ่งก็ได้เอามาปีนิดสุจรณาจนจุดใจภายในนี้รู้ได้เข้าใจตามความเป็นจริงจนรู้แจ้งตามความเป็นจริงคือไม่หลงไหลในรูปในเสียงในกลิ่นลดโภทภารธรรมอารมณ์จนมีสติเป็นสติปัฏฐานเป็นมหาสติคำว่ามหาสติ ก็เจตนนั่นน่ะเป็นผู้ระลึกไม่หลงไม่ลืมไม่ปล่อยให้อำนาจฝ่ายสาเข้ามาถับถมจิตใจของตนไม่ใช่เป็นของขอเอาได้เป็นของปฏิบัติเอาได้ทำเอาได้เมื่อเราละกิเลสความโกรธความโลภความหลงออกไปสร้างใจรวมใจสงบจิตใจให้สร้างมั่น เมื่อจิตใจสงบตั้งมั่นได้แล้วก็จะเข้าใจในขั้นต่อไปถ้าสงบจิตใจของตนไม่ได้ยังไม่หยุดไม่โย่วุ่นวายแต่เรื่องภายนอกไม่ได้คิดอ่านพิจรารณาภาวนาดูให้ดีให้ดูดให้ดีนั่นคือว่าเมื่อเรามาเกิด มาปฏิสนธิดินดาณในท้องแม่เราไม่มีสมบัติพัสฐานอะไรติดตัวเรามามีแต่หนังหุ้มกระดูกมามีแต่ธาตุสี่ขันธห้านี่มาเมื่อเราเกิดมาแล้วจึงได้ดิ่มดลนวุ่นวายไปตามอำนาจของกิเลสกรมตัญหาภวะตันหาวิภาวะตัญหา จึงได้วุ่นวายไปตามที่เลไม่มีที่จบที่สิ้นคือจิตไม่สงบไม่ตั้งมั่นโยภายในแล้วก็ไม่ได้คิดไปว่าคนเราทุกคนนั้นเมื่อตายมีอะไรติดตัวเขาไปมีใครมาหาถามซับสินเงินทองวัตถุเข้าของในโลกนี้ไปได้มีหรือ มนุษย์มีบ้านเรือนเลือกสวนไล่นาอะไรทุกอย่างเวลาเขาไปเขาอาจหนีออกไปได้ไหรือเขาทิ้งไว้ในโลกนี้เราเห็นหรือไม่เตือนใจของตัวเองให้มาสงบสงับอยู่เมื่อมองเห็นได้ว่าความเกิดตั้งขึ้นมาก็ไม่มีสมบัติพัฒนฐานใดๆ เมื่อเกิดมาแล้วดิ้นรนวุ่นวายหาเอามาได้ก็ว่าเป็นสมบัติของตัวเองไม่รู้จักว่าเป็นสมบัติของแผ่นดินตายแล้วก็ทับถมแผ่นดินยังไม่ตายสมบัตินั้นก็ทับถมแผ่นดินอยู่ร่างกายสังขารของตัวเองได้แก่ขาสองแขนสองสศีรษะหนึ่ง หนังหุมโยเป็นที่สุดรอ้อดตายแล้วก็ฝังดินเผาไฟทิ้งเป็นเท้าเป็นฐานอยู่ในโลกนี้ต้องกำหนดพิจารณาเตือนใจของตัวเองให้ตั้งลงไปในความสงบจิตใจไม่ต้องไปหาเป็นสีสันวันณนะรูปร่างอย่างโน้นอย่างนี้ จิตนี้เป็นภาตนามธรรมไม่มีรูกร่างสีสันฐานจะรู้ได้เข้าใจก็อยู่ที่ปฏิบัติบูชาภาวนาจะรู้ได้ด้วยสติด้วยสมาธิด้วยปัญญาความรอบรู้ในกองสังขาร จะรู้แจ้งเห็นจริงถึงขั้นละกีเลศราคะโพสะได้ก็จนจิต ใ, ใจดวงนี้เกิดเป็นญาณรู้แจ้งตามความเป็นจริงจิตใจดวงนี้ก็จะได้เลิกละความยึดหน้าถือตาความยึดตัวถือตนความยึดเรายึดของของเาราจิตใจก็จะได้สะดวกสบาย จะได้รู้จากการปฏิบัติบูธาภาวนาในทางพุทธศาสนาไม่ใช่มาเอาอาการภายนอกพระพุทธเจ้าท่านเอาภายในพระอริยสงสาวกเจ้าทั้งหลายโ น, น้นท่านเอาภายในเอาใจที่้งบประงับตั้งมัน่น เอาใจที่ละกิเลสราคะโทสะโมหะใน จ, จิตใจให้หมดไปสิ้นไปท่านเอา จ, จิตใจที่บริสุทธิ์ของใสสะอาดท่านไม่ได้หาถามกิเลสราคะโทสะโมหะทรับย์สินเงินทองวัตถุเข้าของในโลกไปด้วยท่านเอาจิตดวงเดียวเท่านั้นจิตดวงเดียวที่ไม่มีกิเลส จิตดวงเดียวที่ของใสสะอาดจิตไม่ยึดหน้าถือตาไม่ยึดตัวถือตนไม่ยึดเรายึดของของเราท่านเอาจิตที่สะอาดใสสะอาดเอาจิตที่เป็นดวงหนึ่งดวงเดียวไม่เกี่ยวเกาะกังวลด้วยกิเลสกามวัตถุกาม การภาวนาทุกลุกทุกนามจะต้องทบทวนกระแสเข้ามาภายในดวงจิตดวงใจของตนให้ได้ไม่ได้ยางได้ถอยความเชียนความเชียนความหมั่นความขยันความตั้งใจมั่นอย่างเราได้มาบวชเรียนเขียนอ่านในทางพุทธศาสนา่าเป็นผ้าขาวนางกี เ, เ, เป็นเนนเป็นพระเป็นอะไรก็าตามมันจะอยู่ในขั้นสมมุติให้เป็นเมื่อเราได้เป็นตามสมมุติแล้วเวลาภาวนาทำจิตใจให้สงบสัง่งับตั้งมั่นเป็นสมาธิภาวนาจริงๆจะได้รู้เท่าทันกีเลสมานสังขารละมารหรือรู้เท่าสม ม, มุติโลก ที่เขาสมมติขึ้นมาจะสมมติให้เป็นอะไรก็าตามมันแค่สมมุติเท่นั้นเองไม่ใช่ีิมุดหลุดพ้นวิมดหลุดพ้อนอยู่ที่ไหนถอยู่ที่สมาธิภาวนาอยู่ที่สมมาถะรมถานวิปัสสนากรมถานอยู่ที่ใจสงบตั้งมัน่นใจที่เห็นแจ้งในหลักอนิจจังทุกขังอนาัตตา อะไรทั้งหมดในโลกนี้จุดที่หลงอยู่ก็เข้าใจว่ามันจะเที่ยงแท้แน่นอนมันเที่ยงแท้แน่นอนที่ไหนเกิดมาแล้วทําไมมันแก่ก็เพราะมันไม่เที่ยงแท้แน่นอนนั่นเองเกิดมาแล้วทําไมมันจึงทุกข์ก็เพราะมันก้อนทุกกองทุกมันไม่เที่ยงก็เป็นทุกข์ ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนาถาพื่งสิ่งทั้งหลายจิตมันมาหลงหยึดเอาถือเอามาสำคัญจิต ค, คิดว่ามีตัวมีตนมีหน้ามีตามีชื่อมีเสียงมีอะไรต่อมีอะไรแล้วจิตมันก็ลหลงไหลไปตามอาการเหล่านั้นดีใจบ้างเสียใจบ้างเพราะไม่ภาวนาละเกวย กิเลสมันชอบอยู่อาศัยในโลกนี้มาเกิดเป็นคนเป็นสัตว์เป็นเทวดาอินทร์กรมเป็นสัตว์สิงเจลาสาลเป็นอะไรต่อมีอะไรมันจึงวุ่นวายไม่มีที่จบเพราะจิตไม่เห็นแจ้งในธรรมปฏิบัติจิตที่เห็นแจ้งในธรรมปฏิบัติก็นั่งภาวนาที่ไหนใจมันก็แจ้งอย่าได้หลับอัิจรายทุกขังอนัตตา ทั้งส่วนภายในกายวาจาจิตของตอนก็รู้ทั้งส่วนภายนอกคนอื่นสัตอื่นสิ่งอื่นภายนอกมันก็แสดงถึงความไม่เที่ยงแท้แน่นอนเป็นทุกข์เป็นอนัตตาทางนั่นหาจิตไม่ตั้งมั่นเสียก่อนก็มองไม่เห็นรู้ไม่ได้ก็จะมีตัวมีตน ม, มีเรามีของของเราอยู่นั่นไม่มีที่จบ อะไรมันเป็นตัวเราอะไรมันเป็นของเราที่กาลนาเพลียนเช่งดูให้แจ้งด้วยปัญญาอันชอบถ้าปัญญาอันชอบยังไม่เกิดขึ้นมันก็มองไม่เห็นนลยใจที่โกรธมันก็โกรธไม่หายใจที่โลภโลภกิตมันก็อยากได้ไม่มีที่ขอใจที่หลงมันก็หลงอยู่อย่างนี้ เพราะมันมองไม่เห็นลูกไม่ได้ยึดใจมันก็ไม่ป่อยว่างยึดอยู่ถืออยู่ใครจะว่าอย่างไรมันก็ยึดอยู่ถืออยู่ต้องภาวานาทําความเฉียนเพื่อละกิเลสในหัวใจนี่มันออกไปจนกระทั่งไว้ไม่ว่าเป็นคนเป็นสัตว์เป็นวัตถุธาตุอันใดก็าตามมันก็ธาตุดินนั่นเอง ธาตุน้ำนั่นเองธาตุไฟธาตุลมเจดให้รู้เท่าทันไม่ว่าเพศหญิงเพศชายคริหัสบันธจิตมันก็ธาตุทั้งสีดินน้ำไฟลมมีเกิดก็ต้องมีตายเท่าเ่ากันเกิดขึ้นมาแล้วต้องตายกำหนดให้ได้ให้เข้าใจไม่ใช่เกิดแล้วมาอยู่ในโลกนี้ ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ไข้ไม่ตายมีที่ไหนกําหนดดูให้รู้ให้เข้าใจอย่าไปเส้น่านสนใจไปภายนอกให้รวมกําลังเข้ามาตั้งภายในตั้งที่ไหนตั้งที่พุทธะพุทโธตั้งโยทุกลมหายใจเข้าออกทุกลมหายใจเข้าไปออกมาให้เลึกให้เสื่อมกิตใจดวงนี้ ว่าความตายนั้นมันใกล้เข้ามาทุกลมหายใจเข้าออกมันตายอยู่ทุกลมหายใจเข้ามันตายอยู่ทุกลมหายใจออกเจ็บยาได้ประมาทมัวเมาหลงหลืมเจ็บจะมาดิ้นลนวุ่นวายไปด้วยที่เหลวทั้งหลายทันเจนเครื่องน่วงเหนียวให้จิตคล่องพัวพันอยู่ในโลกนี้ไม่มีที่สุดสิ้นสุดลงได้ ที่สิ้นสุดมันอยู่ที่จิตสงบจิตตั้งมัน่นเมื่อจิตสงบตั้งมั่นแล้วก็เห็นสิ่งต่างๆทั้งภายในทั้งภายนอกว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนาตาอยู่อย่างนั้นตามสภาพธรรมดาของคอนสัดว์วัตถุธาตุทาั้งหลายเป็นอยู่อย่างนี้แต่เมื่อจิตไม่รู้ไม่เข้าใจ ไม่เห็นแจ้งภายในเราก็วุ่นวายไปเองดิ้นไปวุ่นวายไปกินไปนอนไปพูดไปทำไปหลงไหลอ ย, อยู่ตลอดเวลาจิตนั้นมันก็ไม่เลิกไม่ละไม่ยื้อไม่นายในโกูกในเสียงในกลิ่นลดพอสภาทะธรรมารมเพราะไม่สงบไม่ตั้งมัน่นไม่เห็นแจ้งใน <c oughs> พ้อนอสุภกรรมฐาน ไม่เห็นแจ้งในข้าทั้งสี่ดินน้ำไฟลมตัวของคนเหล่านั้นก็คือก้อนอสุภกรรมฐานแต่จิตหลงจิตไม่รู้จิตไม่ดูจึงได้หลงไหลหลงแล้วก็ไหลไปตามอารมณ์สิเลถ้ามีใครคนใดคนหนึ่งเขามาทายมูดโคตด ก้อนอาุภะไว้ข้างทางที่เราไปมาก็เห็นว่านั่นเป็นของปฏิกูลโสกเทาไม่มีใครต้องการอันนั้นมันน้อยนิดเดียวที่เราว่าเป็นก้อนอาุภะตัวอาตุภะจริงๆก็คือตัวเราทุกคนพาลองหมดลมหายใจไม่มีใคร ฝังดินไม่มีใครเผาไฟให้นี่คืก้อนอสุภาะใหญ่ใครจะไปผ่านที่นั้นจะต้องดมกลิ่นเหม็นไม่ใช่เป็นของสวยงามเอาไปให้ใครก็ไม่ใครไม่มีใครต้องการเพราะสิงปฏิปูลจริงๆร่างกายสังขาร น, นี้ จึงให้พาการตั้งใจปฏิบัติภาวนาทำใจให้สงบตั้งมัน่นดูความจริงให้รู้ความจริงอย่างเพียงแต่ว่าพระพุท ธ, ธเจ้าพระอริยเจ้าทั้งหลายท่านว่าปฏิกูลสิ่งปฏิกูลของโสโครแต่จิตเราไม่ภาวนาตามไม่รู้ตามความจริงมันก็ไม่เห็นอยู่นั้น ก็ไม่แจ้งในใจจิต น, นั่นมันก็ดิ้นรนวุ่นวายคอยตามตามรตัญหาภาวะตัณหายุติภาวะตัณหาอยูตย่ตลอดเวลาจงทําใจของตัวเองยกจิตใจของตนให้สูงขึ้นไม่ใช่เพียงแต่ว่าความอยากความอยากนั้นเพ่นว่ามันแค่ความอยากอยากได้ถ้าเราไม่ภาวนา อยากได้แต่เราไม่ละกีเลสอยากใกล้แต่จิตไม่สงบอยากได้แต่จิตไม่ไไมรู้แจ้งเห็นจริงมันก็ได้แค่ความอยากเมื่อมีความต้องการปราถนาความพ้นทุกข์ภายในโลกในวัฏสงสารก็ให้มีความเพียรความหมัน่นความขยันไม่ทอแท่ออนแอในหัวใจ ทุก ล, ลมหายใจเข้าออกพระพุทธองค์ท่านทรงตรัสว่าให้ภาวนาทุกลมหายใจเข้าออกให้นึกถึงความตายที่จะมาถึงตนทุกลมหายใจเข้าออกให้นึกถึงความแก่ที่จะมาถึงตนทุกลมหายใจเข้าออกให้นึกให้ภาวนาถึงความเจ็บไข้ได้ป่วยที่จะมาถึงโรคประคันร่างกายของตัวเองตลอดทุกลมหายใจ เมื่อนึกอยจะเจริญอยู่เตือนใจของเราอยู่ทุกเวลาเตือนได้ทุกเวลาและจิตมันก็เข้าใจเพราะจิตมันรับรู้รับเห็นอยู่แล้วทาราความแก่ของรูปลางกายทายาความเจ็บไข้ได้ป่วยของรูปลางกายความพัดผ้าจากสัตว์และสังขารทั้งหลาย ของสัตว์ทั้งหลายมันมีอยู่อย่างนี้เมื่อเป็นเช่นนี้ในขณะนี้เดี๋ยวนี้เวลานี้ให้จิตใจผู้ภาวนานั้นตัดบวงห่วงอะไรต่างๆจะห่วงบ้านห่วงเรือนห่วงโลกเก่าหลานเล้นฟสามีภรรยาห่วงชาติห่วงอะไรก็ไม่ต้องไปเกี่ยวเห็นห่วงมันมัดใจ ห่วงนั้นไม่มีทางออกได้มันวนอยู่ทําใจให้เป็นดวงเดียวออกจากห่วงออกจากห่วงคือว่าไม่ห่วงใครไม่ห่วงจะเอาความสุขความสบายในที่เหลกอตามวัตถุกรรมพยายามตั้งใจให้มันองอาจล้าหาน เหมือนพระพุทธเจ้านั่งสมาธิภาวนานั่งขับสมาธิเพชรในใต้ต้นไม้โพจิตใจของพระองค์ไม่ยึดไม่ถือไม่ลุ่มหลงมัวเมาไปในที่ใดๆ ด, ด้วยการภาวนาทําใจให้สงบด้วยการภาวนาทําใจให้แจ้งซึ่งพณิพพานจิตใจของพระองค์ ก็พ้นจากที่ตัดสูลพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเมื่อพระองค์ได้ตัดสโลแล้วพระองค์ก็ไม่นิ่งนอนใจอยู่เท่านั้นก็ช่วยมนุษย์และเทวดาทั้งหลายให้พากันปฏิบัติบูชาภาวนาอย่ามามัวมั่วสมวนวายอยู่ในโลก มนุษย์แะเทวดาสมัยนั้นก็เรียกว่าเป็นคนมีศักธามีบารมีแก่กล้ไม่ขี้เกียจที่ท้านมัดง่ายท้อถอยเป็นผู้ตั้งใจปฏิบัติอันการปฏิบัตินั้นไม่เฉพาะแต่นักบวชคือมันไปตามบุญบารมีของแต่และบุคคล บุคคลที่บำเพ็ญทนานรักษาสินงภาวนามาตั้งต้นมาเพื่อให้ถึงซึ่งนิพพานแต่ไม่ต้องการยศการละไม่ต้องการเพศนั้นเพศนี้บุนบารลีที่เขาทําเขามุ่งหว่าเพื่อให้เต็มเมื่อใดก็ให้ถึงซึ่งนิพพานเอานิพพ า, านเป็นจุดหมาย อันนั้ น, พ ว, น, นพวกนั้นก็เมื่อเต็มเมื่อใดพอเมื่อไดบารมีเต็มส่วนเมื่อไดท่านก็พ้นทุกข์ไปในสมัยคร้งพุทธศาสาสมัยนี้ก็เหมือนกันไม่ต้องไปหมายถึงว่าเพศพระเพศข้าวนางกีหมายถึงจิตนะจิตมันตัดความโกดธได้จิตมันละได้ถอนได้ ไม่ห่วงไม่อะไรในที่ทางหลวงมีสติอยู่ในหัวใจมีสมาธิอยู่ในหัวใจมีปัญญาอยู่ในหัวใจกิเลสอันใดยังมีอยู่ในใจท่านก็ตัดท่านก็ละจนตัดได้ขาดละได้ขาดแม่พวกเราทั้งหลายก็ต้องตั้งใจต้องตัดให้ขาดละให้ขาดทำใจในใจเลย ให้ใจสงบสั่งมา่ใจไม่หันเหไปตามอารมณ์เลีอใจรู้แจ้งว่ามันเป็นทุกข์ก่อตั้งขึ้นมาในกองทุกข์เกิดอยู่ในกองทุกข์นั่งอยู่ในกองทุกข์แก่ชราเจ็บไข้ตายอยู่ในกองทุกข์ไม่มีอะไรทึ้นนอกเหนือไปจากทุกข์ในใจของมนุษย์ในตัวมนุษย์เหล่านี้ มีตั้งก่นมีแต่เรื่องทุกข์นะกตั้งน่ะทุกข์ตั้งแต่เกิดเวลาไปเกิดไปนอนในท้องแม่ก็ทุกข์อยู่ตั้งเก้าเดือนสิบเดือจึงได้เกิดมาคลอดออกมาเกิดมาแล้วก็ทุกข์ตั้งแต่เกิดนั่นมาจนถึงเวลานี้ทุกข์นั้นก็ยังมี อ, อยู่ ความแก่เป็นทุกข์ความเจ็บเป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์ความคับพลากแจกัดแจกสังขารตั้งหลายเป็นทุกข์มันมีอยู่ตลอดเวลามาถึงขณะนี้เวลานี้ความทุกข์ใจอ น, นั้นมันก็มีอยู่ทุกข์กายนั้นก็มีอยู่แล้วมันทุกไปถึงไหนเลยนี้อไปเลยบัดนี้ไปมันก็ไปถึงแก่พลาด สิปีก็ไม่รู้มางคนก็สิปีก็ตายยี่สิปีก็ตายได้สามสิปีก็ตายได้สี่สิปีห้าสิปีก็ตายได้หกสิปีเจ็ดสิปีไปหน้าแปดสิปีเก้าสิปีร้อยปีไม่มีเหลือตายจนหมดพวกใหม่ก็เกิดมาอีก นั้นเวลาที่เรานั่งภาวนานั่งกรรมาฐานทำใจให้สงบให้สร้างมั่นให้เห็นแจ้งในธรรมะปฏิบัตินั้นไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยจะต้องตั้งใจประพฤติปฏิบัติกระทำจริงๆให้ดูตัวอย่างที่โบราณอาจารย์เจ้าทั้งหลายเพื่อจะได้ลูก พระปฏิมาก่อนลูกพระพุทธลูกพระพุทธเจ้าไหว้สักการะบูชานั้นอย่างเขาเอาทองเลื้องทองแดงทองอะไรก็ตามมารวมแล้วเขากดต้มหงทองทั้งหลายเหล่านั้นเปื่อยจนเป็นน้ำปั้นหุ่นลูกพระลูกอะไรก็ตาม จึงเททองที่เป็นน้ำนะ่ะลงในเบา้าในลูกพระพุทธลกูกคำว่าหุงต้มจนกระทั่งทองเปื่อยนี่ละคือว่าจิตใจของคนเราเมื่อมันไม่เปื่อยเหมือนทองมันก็รวมลงไปไม่ได้ทองไม่เปื่อยเอาไปเทลงเบา้ามันก็ ไม่เป็นพระเป็นลูกได้ทั้นใดาการเจริญสมถะกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานของนักปฏิบัติกิแลกราคะมันยังไม่เปลือยกิเลสโทสะยังไม่เปิดอยกิเลสมโหหัยังไม่เปลืยความอยากหน้าอยากดีอยากเป็นในจิตนะั้นมันยังไม่เปลืยไม่พังไม่ละลายเป็นทองไม่ละลายเป็นน้ํา มันยังเป็นตัวกูของกูเป็นตัวเราเป็นของเราเป็นตัวข้าเป็นของข้าหน้าของข้าตาของข้าตัวของข้ามันไม่เห็นแจ้งเมื่อไม่เห็นแจ้งมันไม่ละลายสมมุติเหล่านี้มันก็เหมือนทองไม่เปือ่อยหล่อพระทองไม่เปือ่อยอย่างนั้นเทลงเบ้าก็ไม่ได้เรื่อง อ่นนั้นเราต้องเล่งทุกสิ่งทุกอย่างโดยเฉพาะเมื่อเรามาถึงขั้นนั่งสมาธิภาวานาเดินจงกรมปฏิบัติบูทาภาวานาในใจนี้ถมันเอาจริงลองไปในหัวใจใจกลัวตายไม่ไให้มีในใจเห็นใจลุกขึ้นภาวานาผู้ภาวานามันไม่ตาย ผู้ไม่ภาวนานั่นแหละมันตายมันตายอะไรมันตายจากคุณงามความดีตายจากธรรมาจัดตายจากนักบวชไปเกิดเป็นชาวบ้านตายจากชาวบ้านมาอยู่วัดสักประเดี๋ยวก็ดาวก็ตายจากชาวัดไปเป็นชาวบ้านนั่นแหละชื่อวัดทองไม่เปื้ เขาทองไม่เปือยต้มทองไม่เปื่อยเที่ยวทองไม่เปื่อยโลเลไปโลเลมาวุ่นวายภายนอกยกใจให้สูงส่งถึงพระพุท ธ, ธเจ้าเป็นสารณะทำละกิเลสในใจของตนให้หมดไปสิ้นไปเหมือนน้ำพระใยใจของพระอริยเจ้าทั้งหลาย ละกิเลสได้เด็ดค่ะตัวเรามันคาอะไรติด อ, อะไรข้องอะไรมีสมบัติพัะสถานมหาสาลที่ไหนจึงมาห่วงอาลัยในรูปนามกายใจตัวตนนี้ตั้งใจขึ้นมารวบรวมกําลังใจจนเต็มกาลังความสามารถ ความสามสารถการหารแล้ ว, ว่าทุ่มเทกำลังศีนสมาธิปัญญาวิชาวิมุตตลดท้นกากิเลสทั้งหลายขึ้นโยในดวงจิตดวงใจจิตไม่กลัวเหน็ดกลัวเหนื่อยไม่กลัวเมื่อยกลัวหิวจิตไม่เข้าหมองขุนมัวด้วยอารมณ์สิเลส ชเชื่อว่ากีเลสราคะโทสะโมหะไม่ให้มาแปเปื่อนในใจยังดวงจิตดวงใจให้ใสสว่างเป็นเหมือนแก้วมณนมิโชตแก้วมณนมิโชสว่างสวัยเห็นแจ้งในกองทุกกองไทยในวัดอสงสารไม่ว่าจะมาเกิดชาตินี้และจะเกิด ต, ต่อไปชาตละก็ให้เห็นแจ้งว่ามันทุกข์เท่านั้น ไม่มีที่ไหนที่จะมันน่ายินดีพอใจจึงจะถอนจิตอันนี้ออกจาอารมณ์กิเลสได้แล้วก็ไม่ใช่ผู้อื่นจะมาถอนให้ได้จิตใจที่เราภาวนาพุทโธพุทโธอยู่นั่นแหละตั้งลงไปให้มันมั่นคงให้มันแน่วแน่ให้มันเด็ดเดี่ยวให้มันเด็ดขาด มันขาดจากลูกขาดจากสี่งขาดจากสิ่งขาดจากรถข า, จาดขาจากโพธิภพธรร ม, มละลมสันโดษยินดีอยู่ยเท่าที่มันเกิดมันมีในหัวใจไม่ให้ใจมันทะเยอะทะยานวุ่นวายไปไม่มีที่จบที่สิ้นนี่แหละเราท่านทั้งหลายให้พากันตั้งใจประพฤติดีปฏิบัติชอบ ประกอบในสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลอย่าได้มีความท้อแท้อ่อนแอในหัวใจตราบใดใจของเรายังมีความอ่อนแอท้อแท้อยู่ก็รึกถึงพระพุทธเจ้าคําว่าพุโทโธพุธโทโธนั้นเป็นคําย่อพุโทโธนั้นมันมาจากบารมีสามสิทธัทมาจากบารมีสิกขา นึกถึงพระพุทธองคาทำใจของเราให้สามรารถอาถรรอย่างพระองค์ไม่ให้กลับกอกลอกลวงตัวเองทำจริงๆปฏิบัติจริงๆตั้งวรระวังใจทำละจิตใจให้บริสุทธิ์ลุดพ้นออกจากที่เลยระวังวาจาให้เป็นวาจาที่บริสุทธิ์ ระวังความประพฤติการกระทำทางกายได้แก่ศีลหลักศีลห้าหลักศีลแปดหลักศีลสิบหลักศีลสองรอยี่สิบเจ็ดให้มีตามจิตเจตนาที่เราตั้งใจรักษาภาวนาอยู่นี่แหละจิตใจตรงนี้ก็จะได้มีกำลังมีความสามารถอาถา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 สัพพิติโยวิวัตชันตุสัพพโลกโววินัสตุมาเตพวัตตวันตรายโยสุขีติคายุโกภาะอะิวาธนาทีริสเนจังวุทธาพาิจินโนจัตารโรธรรมาวะชันติอายุวันโนสุขังขาดลัง <c oughs>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 สำพุทธเจ้าพระองค์นั้นมาโอกาสนี้เป็นต้นภายเป็นเวลานั่งสมาธิภาวนาการนั่งสมาธินี้ให้พากันนั่งขัดสมาธิการนั่งขัดสมาธินี้ได้ไม่ยากคือเอาขาซ้ายขึ้นมาทับขา ข, าขวาก่อน แล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายมือข้างขวาวางทับมือข้างซ้ายตั้งายให้เที่ยงตรงหลับตานึกภาวนาพุโทโธพร้อมด้วยการได้ยินได้ฟังเป็นเครื่องเตือนสติไม่ให้จิตใจของเราฟุ้งซ่านไปที่อื่นเกิดใจนั้นเลโยภายในหนังหุ้มโยเป็นที่สุดรอบ เธอในตัวในใจของเรามีเองเวลานี้อย่าปล่อยให้ขาดสติจงเป็นผู้มีสติระลึกอยู่ว่าเวลานี้เป็นเวลาปฏิบัติบูชาเราจะไม่คิปไปในที่ใดใดทั้งหมดเราจะตั้งใจฟังธรรมด้วยดีตั้งใจรวมจิตใจเข้ามาภายใน ให้ได้เราจะต้องเอาชนะกิเลสในหัวใจนี้ให้ได้ตั้งใจไว้ให้มั่นคงณภายในแเรว่กสัชจะความจริงใจอาตถิถามใจลงไปเราจะไม่หวั่นไหวทุกสิ่งทุกอย่างดูองคา菩าสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรา ในวันที่พระองค์จะได้ตรัสรู้ภาวนาใต้ต้นไม้โพนั่นพระองค์ตั้งสัตว์อธิษฐานลงไปว่าแม้เลือดเนื้อเสื้อไขจะเหือดแห้งไปเหลือแต่นหนังหุ้มกระดูกก็าตามทีพระองค์จะไม่ลบไปมาในที่ใดๆจะเอาให้ได้ตรัสรู้เป็นสัมมาสัมพุทธเจา้า ในล้มในโผนี้เมื่อพระองค์ตั้งสธธัตตปฏิฐานลงไปแล้วที่เลกมานสังขารมานขันธามานก็ไม่มีผ้าที่จะมาทำให้พระองค์วันไหวไปเหมือนก่อนเพราะพระองค์เสียสละทุกสิ่งทุกอย่างแล้วแม้กระทั่งชีวิต พระองค์ก็อุทิศอุทิศให้อะไรจะมาสู้สั จ, จรรมามีสั จ, จธรรมของพระพุทธเจ้าไดนะ้ไม่มีเลยพระองค์ก็ น, นั่งสมาธิภาวนาบริกรรมอนาปานุสติกรรมฐานลมเข้าลมออกจิตใจผู้รู้อยู่ภายใน รู้สึกลมผ่านเข้าผ่านออกอยู่ที่ไหนก็ที่นัน้นแหละจิตอยู่ที่นั้นเระองค์ก็รวมจิตใจของเระองค์ลงไปที่นี้ทุกลมหายใจเข้าออกเอาลมหายใจเข้าออกเป็นบทภาวนาจนจิตใจของเส้องตั้งมั่นไม่หวั่นไหวสงบ ร, ระอา นายเคลวันนั้นจึงได้ตรัสโลเป็นพระสาสดาสัมมาสัมพุธเทธเจ้าขึ้นในโลกต่อมาพระองค์ก็โปรดตรัสพระธรรมเทศนานับตั้งแต่ปฐมเทศนาสแสดงธรรมมาจา ก, กปวัตนาโสตแล้วก็ผลที่สดตอนจะเข้าสู่นิพพานพระองค์ก็สแสดงธรรมพัชิมาโอวา กระดับขันเข้าโซนาเอภาสนานแหละความองค์อา้าหารของพระพุทธเจา้าความสามารถอาฆาหารของท่านท่านเป็นนักเสียสลัดแม่กระทั่งชีวิตเราทุกขนทุกหลวงใจเราตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาเพื่อละกิเลสลาคะให้หมดไป เพื่อละกิเลสโทสะให้หมดไปเพื่อละกิเลสมโหหะให้หมดไปก็ให้พาการเลึกถึงองศาสัมมาสัมพุทธเจ้าคำว่าพุโทโธพระองค์มีความแน่วแน่มั่นคงขนาดไหนดังนั้นใจเราทุกคนก็ให้ตั้งลงไปส ง, งบลงไปอย่าได้มีความทอถอย ความหนาวเป็นเรื่องเล็กน้อยอย่าเข้าใจว่าเป็นเรื่องมัใหญ่เรื่องโตอะไรเรื่องใหญ่เรื่องโตก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องภาวานาละกิเลสให้หมดไปสิ่งไปในเวลานี้เดี๋ยวนี้ไม่ต้าให้มันยืดเยื้อไปมาภาวานาลงไปให้มันได้ทุกลมหายใจเข้าออก อาวนาบทใยก็ดีทางนั้นแหละแต่ว่ามันไม่ดีอยู่ที่เราไม่ทำจริงไม่ปฏิบัติจริงๆไม่เอาจริงมันเป็นอยู่ที่ตรงนะั้นถ้าใจตรงนี้หละลุกขึ้นตั้งใจเพื่อจะเอาชนะกิเลสในสจิตใจนี้จริงๆงหนาวก็ไม่กลัวกลัวมันทำอะไม ตายยังเผาไฟทิ้งตายแล้วเขายังฝังดิงขึ้นยังไม่ตายจะมาบ่นว่าหนาวว่าร้อนไม่ได้หนาวร้อนเขามีอยู่ในโลกมนุษย์นี้แหละเมื่อใดจิตเรายังมาลุ่มหลงอยู่ในความหนาวเยือกว่าหนาวเราหนาวหนาวเราที่ไหนเราเป็นหนาวที่ไหนธาดุเด่นเขาหนาวต่างอาก ธาตุน้ำเขาหนาวธาตุไฟธาตุลมเขาหนาวต่างหาจิตนี้มายึดถือต่างหาจึงเกิดความยึดถือว่าเราหนาววางเฉยให้ได้โลกประขันร่างกายเขาไม่ว่าจิตทวิชชาตัณหามันเป็นผู้ว่าเป็นคนว่าว่าหนาวว่าร้อนว่าสบายไม่สบาย หนาวมันพูดได้หรือดูให้ดีในจิตนี่เจดหลงจิตไม่โลดจิตไม่โหยจิตไม่ภาวนาจิตไม่เต็นดวงหนึ่งดวงเดียวหนาวมาก็จะไม่ให้หนาวไม่ต้องการหนาวก็ยังมาเกิดมาตายในโลกนี้ ถ้ามาเกิดมาตายรอวันตายอยู่อย่างนี้มันก็มีหนาวมีร้อนนั่นแหละในโลกนี้เขามีหนาวเลดูหนาวและดูร้อนฤดูฝนเขาก็มีอยู่อย่างนี้ก่อนเมื่อเรายังไม่มาเกิดเดูเหล่านี้มันก็มีอยู่อย่างนี้เรามาเกิดแล้วฤดูเหล่านี้ก็มีอยู่ แม้เราทุกคนที่นั่งภาวานาอยู่ตายไปแล้วก็ตามหนาวรลอดูหนาวมันก็มีอยู่อย่างนี้และดูร้อนหรือดูฝนเขาก็มีประจำโลกอย่างนี้ตั้งใจภาวานาละกิเลสราคะโทสะโมหะให้หมดไปสิ้นไปความยืน้นรนวุนว่นวายไปตามอำนาจของกิเลสตัณหาให้พากันเลิกละ ออกถอนออกไปในหัวใจนั้นอย่ามาสำคัญผิดคิดว่าตัวเราหนาวตัวเราที่ไหนโลกร่างกายก็คือว่าธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมประชมกันอยู่เท่านั้นเจ็บจะมายึดมาถือไว้เจ็บจะมาหลงยึดนะฮะตัวเราของเราได้ยึดไปถือไปได้อะไร ตัวกูของกูตัวค่าของค่าบอกได้ว่าฟังหรือถ้าบอกได้ก็บอกไม่ให้มันแกสิทำไมมันแกไปทุกวันเวลาถ้าบอกได้ก็บอกไม่ให้มันเจ็บสิทำไมมันเจ็บไข้ได้ป่วยบอกได้ก็ไม่ให้มันตายสิมันตายกันทางโลก เรียกว่าบอกไม่ได้ว่าไม่ฟังบอกนั้นได้ว่ามันแสงไม่ฟังต้องแก้จิตแก้ใจของเราอย่าไปหลงยึดเอาถือเอารู่องประคันร่างกายที่จิตมาหลงยึดถืออยู่นี้เขาไม่ได้ว่าเป็นตัวเราของเราเขามีเหตุปัใจจัยให้เกิดขึ้นมันก็เกิดขึ้นมา มีความเกิดขึ้นที่ไหนก็มีความแตกดับในที่นั้นๆกําห น, น, นดให้ได้สิ่งทั้งหลายในโลกเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเกิดขึ้นแล้วก็แตกดับไปเป็นอยู่อย่างนี้เจ็บไม่รู้ตังหะจิตหลงจึงมายึดมาถือเอาธาตุดินเป็นตัวเราธาตุน้ําเป็นตัวเราธาตุไฟธาตุลมเป็นของเรา เ ว, ว่าหรือใครเป็นผู้ว่าก็จุดอวิชชาตัณหานี่เป็นผู้ว่าจิตไม่ปล่อยไม่วางเป็นผู้ว่าจิตมาเย็ดมาถึงจิตใจผู้โลภไม่โลภอยู่ภายในโลภตามสังขารยิย่ญาณโลภตามกิเลสตัณหามานะอิสิไม่โูภละโลภถอนไม่โูภปล่อยโลภวางไม่โูภอยู่โูภไป โลกไปก็กิเลสราคะโทสะโมหะกิเลสมานสังขารมานขันธมานขันธมานก็คือว่าเจิตมันมายึดเอาร่างกายตัวตนโลกปรขันธ์อันนี้ว่าเป็นตัวเราของเรามันก็เป็นมานเจ็ตไข้ได้ป่วยนั่งภาวนาไม่ได้เดินจมกลมไม่ได้ นี่หละขันมันเป็นมารเส้นอุปสรรคคอยทำลายคุณงามความดีของคนเราอยู่ถ้าหาว่าเราไม่ตั้งใจภาวนาจริงๆก็จะมาเป็นทุกข์เป็นร้อนกับหนาวกับร้อนตลอดเวลาโลกนี้เขามีอยู่อย่างนี้ถึงฤดูร้อนมันก็ร้อนจนเมื่อไหลคาย้ยยอยถึงฤดูผนมันก็ผี เป็นธรรมดาอย่างนี้เมื่อมันเป็นธรรมดาอย่างนี้ก็ต้องภาวนาดูสิถ่ยเป็นผู้มาย็ดมาถือในตัวนั้นมันมีอะไรอยู่ตั้งใจบริกรรมภาวนาภิจารณาตายกตาสติรรมมาท มีผมขนเล็บันหนังเนื้อเอ็นกระดูกกับกายไข้กุงน้ำเลือดน้ำเหลืองเต็มตัวอยู่ของโสโครตปฏิกูลลอวันตายอยู่ด้วยกันทุกคนวันตายนั้นไม่มีใครกำหนดได้อาจจะตายเดี๋ยวนี้ก็ได้ถ้าไม่ตั้งใจภาวนาจริงๆก็จะมาตายทุกตายยากลำบากลำคาญอย่างนี้ เกิดมาแล้วจะมาให้มันเจ็บมาให้เจ็บไข้ได้ป่วยได้ทีไหนไม่ต้องใครแก้อย่างนั้นแก้จิตใจผูนะ้มาหลงน่มาหลงยึดหน้าถือตามาหยางยึดชื่อยึดเสียงชื่ออย่างนั้นชื่ออย่างนี้เราเป็นั้นเป็นนี้นเป็นอะไรก็เป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมอยู่นี่แหะ เจตยาได้มาหมัวเมาลุ่มหลงเลิกละกดปล่อยออกไปให้หมดสิ้นให้เหลือแต่จุดที่บริสุทธิ์มองเห็นสังขารนั่งกายอันนี้เป็นครงล่างกระดูกอย่าไปมองเห็นเป็นเนื้อเป็นหนังมองให้มันทะลุเข้าไปถึงกองกระดูกอะไรทั้งหมดมันเรื่องกองกระดูกสามร้อยชอ เกิดมาหลงยึดโยเธออยู่ในทีน่นี้เวลานี้ให้ตั้งใจลงไปให้เป็นที่สงบให้มั่นคงไม่ให้วันไหวสันสะเทือนด้วยเหตุการณ์ใดๆแค่หนาวจะมาเป็นทุกข์เป็นร้อนกับจีเ็ศได้เลยเวลาความตายมาถึงเข่าหนาวที่สุดก็ไม่มีอะไรเข่า ร้อนที่สุดก็ในเวลาความตายเจ็บมากที่สุดก็ใกล้จะตายไม่ใช่ตายแล้วมันเจ็บมันทุกข์ตายแล้วจิตออกจากร่างมันก็ไม่รู้สึกตอนจิตยังอยู่ในร่างกายสังขาร น, นี่แหละเป็นเวลากำหนดภาวนาตั้งจิตให้มั่นคงอย่าปล่อยให้ถีนามิตรความห่วงเหาเหาหนอด เข้ามาพับผมใจจงทำจุดใจดวงผู้โรยภายในให้แจ้งสว่างอยาให้มันมืดอย่าให้ลิบหลีลงไปหลับยัางดวงจิต ด, ดวงใจให้แจ้งให้ใสให้หมดจดสะอาดย่าวเป็นเข้าถึงองค์พุทธะองค์พุทโธ มีแต่รู้เท่าทันไม่หลงไหลสายตาอยู่ใต้อำ น, นาจชีเลตตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาให้รรมเต็นกำลังผ่านความสา ม, มารถฐานของตัวเองการมีชีวิยอยู่ในโลกไม่ใช่เป็นของยืนยาวข่าวไกลเท่าใดนักทุกคนที่เกิดมาเป็นตัวตนแล้วจะต้องแตกลัดตายภายในร้อยปี ไม่มีผู้วิเศษัใดจะมาตอชีวิ ต, ตจิตใจไปจนถึงว่าไม่แก่ไม่เจ็บไม่ไข้และไม่ตายอยู่ที่ไหนก็ตามเกิดที่ไหนก็ตามถ้าเกิดแล้วมันต้องตายแต่นั้นไม่เหมือนกับคำพูดคำพูดรัาเกิดแล้วก็ตายอันนั้นเป็นเรื่องคำพูด ความตายนี่มันฝังอยู่ในรลาากายจิตใจของคนเราแล้วเราต้องภาวนาเพียนเช้งดูให้เห็นแจ้งด้วยปัญญาอันาาชอบแล้วจะมาหลงหยึดหลงถือตัวตนขัดบุคคลอยู่อีกจงเป็นผู้ทาใจให้แจ้งให้ใสให้สว่างภายในเผว่าสมาธิจิตตั้งมั่นปัญญาความรอบรู้ในกองสังขาร ปัญญาความรู้แจ้งแทงตลอดว่าโลกนามกายใจอันนี้มันเกิดได้มันก็แตกดับได้จิตยาได้มาหลงยึดเอาเป็นตัวเราของเราเลยมันธาตุดินแท้ธาตุน้ําธาตุไฟธาตุลมเขาไม่ทุกข์ไม่ร้อนจิตที่หลงไหลโยกับกิเลสราคะโทสะโมหะมันเบือดร้อนวุ่นวายของมันเถอะนะเล่า สร้างใจลงไปในหัวใจรวบรวมกำลังใจให้เป็นพลังงานอันสามารถสางอานารขาบวงห่วงอะไรกิเลสในหัวใจของตนให้มันขาดสะบั้นหันแหลกไปมายึดมาถืออยู่ทรรมม า, มาวุ่นวายยึดมั่นถือมั่นในร่างกายสังขารแกก็เป็นเรื่องของความแก่ มันเจ็บก็เป็นเรื่องของความเจ็บมันแตกมันตายก็เป็นเรื่องของความแตกความตายเจ็บเรายามาดีใจเสียใจกับเรื่องเหล่านี้แล้วก็จะต้องตั้งใจประกอบกะระทําในเวลานี้เป็นต้นไปให้จิตใจตรงนี้มีความสามารถอานพร้อมที่จะเสีสลักกิเลสเหล่านี้ให้หมดสิ้นไป ทำความเปียนยาได้มีความท้อถอยไม่ว่ากลางวันกลางคืนยืนเดินนั่งนอนทุกกิริยานบทยาประมาทแน่แต่น้อยพระพุทธเจ้าพระองค์จรอนว่าให้ภาวนาทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกจึงชื่อว่าเป็นผู้ไม่ประมาทผู้ใดประมาท ก, ก็เหมือนคนตายอย่างนั้นทำอะไรไม่ได้ โคม่ายประมาณภาวนาอยู่เพียงเท่งอยู่ในหัวใจมีสติยอยู่ภายในมีสมาธิยอยู่ภายในมีปัญญาอยู่ภายในแต่นั้นยาได้วันไหลสั่นสะเทือนไปอยู่ใต้อํานาจอิเล็กติกต่อไปจงเป็นผู้มีจิตใจอันสูงทรงไม่ลหลงไหลไปในฝ่ายต่ําเดี๋ยวนี้ฝ่ายต่ําใจเราไม่ตั้งมัน นที่เรื่องอารมณ์ตัางันอารมณ์จีรตะตันหามันก็ทับถมจิตหลงจิตเมาจิตไม่รู้จิตไม่ภาวนาจิตไม่หยุดไม่อยู่มันก็เห็นว่าเป็นความสุขเป็นความสบายมันจะเอาความสุขแค่อามิตรสุขแล้วมันก็จะไม่ต้องการเจ็บไม่ต้องการไข้ไม่ต้องการตายไม่ต้องการพัดทาจากของรักของเจบใจ มันก็ไม่ได้อยู่เองแน่ น, นยาให้ใจขั่งเผลอรุ่มหลงขาดสติสัมปชัญญะจองเก็นผู้มีสติทุกเวลานั่งก็มีสติภาวนาอยู่เยืนก็มีสติภาวนาอยู่เดินไปไหนมาไหนไปรถไปเรือก็ภาวนาอยู่เป็นผู้ไม่กระมาตั้งจิตตั้งใจให้มั่นคงหนักเน่ เรียนกำลังตั้งมั่นลงไปในหัวใจคนอื่นผู้อื่นเขาไม่ทำช้างเขาตัวราวกายใจของเราต้องปฏิบัติภาวนาไม่ให้ขาดระยะไม่ให้หลงลืมลืมอะไรก็ลืมไปพุทธโทในใจเราไม่ลืมพุทธโทหมายถึงองค์พระพุทธเจ้าเอานึกไว้ในหัวใจ เหมือ น, นอเนกโยเจริญโยด้วยคุ ณ, ณธรรมที่เนกที่จเจริญ น, นั้นก็ย่อมบันดุมบันดาลให้ได้รับความสุขจิตสุขใจภัยอันตรายก็ผ่านพ้นไปได้ดังนั้นให้ทุกค์ตั้นกางอกกางใจบาเพ็ภาวนาในทางพุทธศาสนาืต่อไป ดังนั้นเมื่อว่าเราท่านทั้งหลายพากันได้ยินได้ฟังแล้วก็ให้กำหนดจดจำนำไปประพฤติปฏิบัติก็คงได้รับความสุขความจเจริญอีวังก็มีด้วยประการลัคนีสัพพิโยวิวัตชันตุสัพพโลโควินัสตุมาตภาวัตตวันตระโย สุขีติคายโกภวะอาภาิวาทนาสิริสนิจังวุธาปจายิโนจตารโรธรรมาวันติอายุกวันโนสุ ข, ขังภาลังความจริงท่านเดินมากๆมีสบายผู้สุกหักหยุดใจแรกๆจะต้องใช้การเดินให้มากหน่อย นั่งมากลายก็ไม่เ็ดีต่ดโรคไครัยไข้เจ็บได้่ายจึุงให้เอาพอดีแต่เดินให้ดีสร้างกายแข็งแรงโรคไครัยไข้เจ็บก็ไม่จำเลิกเลืออลมก็สอดส่งวิ่งได้คลานทั่วร่างกายแต่คนเราไม่ค่อยชอบ เพราะมันไม่ค่อยหลับได้เดินในสมัยท่านพุทธเจารยังมีพระพุทธสุบวทใหม่องค์หนึ่งเป็นคนลูกหลานเศรษฐีกอนลาพ่อเศรษฐีมาบวชเขาก็ไม่อยากห้บวชพอท่านลาได้มาบวช ท่านภาวนาจริงๆองค์นั้นคนสมัยนี้รู้จะไม่มีความอดทนเหมือนองค์นั้นคี่แม่ท่านก็มานั่งภาวนานั่งภาวนามันก็เกิดหลับแล้วเปลไม่ได้เรื่องท่านก็เอาไปคิดไปอ่านคิดเจรนาว่า <c oughs> ทําอย่างไรหนอเราจรึงจะไม่ง่วง ท่านก็คิดไปมาทบทวนไปมาเอาเดินจนงกรมไปท่นก็ไปปักกวาดนอนลานวัดที่อยู่อาศัยทําที่เดินจงกรมนอนแต่นี่ท่านไปเดินเอาจิงด้วยเดินจนกระทั่งว่ามันนานสักเท่าไหร่ก็ไม่ทาบ จนเดินจนเท่าแตกเลือกหลายเดินไม่ได้ท่านก็ยังไม่ถอความเพียรเราเอเดินจนเท่าแตกแล้วก็ยังไม่ได้สำเร็จมาผลท่านก็คลานเอาบันเอาเข้าลงไปมือสองข้างลงไปคลานเหมือนเหมือนโัควายอ่ะภาวานาพุทโธเรื่อยไป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 ท่านก็ดาทนี้ก็เอานอนขวางทางกันพืนแผ่นดินเดียดๆปักกว่าที่เดิมนอนซึ่งแต่ละชุดไปชุดไปพุดโธไป